อานามสยามยุ์ว่าด้วยกองทัพยสยามกรุงเทพได้ยกผลนิกายไปกระทําการศึกสงครามกันกัดลาวกรุงข่าวชาวเมืองเวียงจันรเป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกัดขมิญยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัชการที่สามกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่ปีจออัศรก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่ห้าพัะทุงเทพลบพับเปล่าเวียงจันที่ทุ่งส้มปล่อยขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง นอนฟังชาแนลด้วยนะครับอานามสยามหยุดตอนที่ห้าฝ่ายกรมหมื่นแม่ทัพทั้งสองพระองค์จึงตรัสสั่งนายทัพนายกองให้รวบรวมเครื่องสัพพวัตสเบียงอาหารบำรุงช้างมาไพร่พลทั้งปวงไว้ให้บริบูรณ์เป็นปกติที่ค่ายทุ่งส้มป่อยเสร็จแล้ว ยึงมีรับสั่งให้นายทัพนายกองจับแจงตั้งไข่ใหญ่ไววรับเสด็จกรมพระราชวังบวรแล้วทรงแต่งหนังสือบอกข้อราชการศึกซึ่งมีใชยชนะแก่ลาวฉบับหนึ่งโปรดให้หลวงเดชอัสดรกับหลวงไกรสินทบสองนายคุมทหารม้าสี่สิบมาถือหนังสือบอกลงมาทูลกล้าวถวายกรมพระราชวังบวรที่ไข่หลวงตำบล น, น้าเซิน ขุนนางผู้ใหญ่นำหนังสือบอกขึ้นกราบบังคมทูลกรมราชวังบวรกรมราชวังบวรได้ทรงรับทราบสิ้นข้อความแล้วจึงมีพระราชบันทูนดำรัตสันเสริญสติปัญญาและความคิดกล้าหาญของพระองค์เจ้าขุนเนนว่าเขาได้เคยกระทำการศึกสงครามชำนิชำนานมาแต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแต่ครั้งท่านสเสด็จไปตีพมา่า ที่เขาฉงงรา ช, ชบุรีครั้งนั้นเจ้าคุเนเนนเขาได้เป็นนายทัพกองโจรไปตีกองลำเลียงพมา่าเขาเคยมีชัยชนะมาแล้วแล้วโปรดกล้าวให้พระยานารานุกิจมนตรีจัดแจงตเตรียมกองทัพไวให้พร้อมเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาจะยกทัพหลวงขึ้นไปยังค่ายลาวที่ทุ่งส้มป่อยขันได้เลิกดีแล้วกรมพระราชวังบวร ทรงพระราชาทานพังโกสุมโพเครื่องมั่นกระโจมทองสีหน้าพร้อมด้วยราชบริวารแห่นาตามเสด็จโดยสทลมักเสด็จพระราชดํำเนินประทับปอนแรมขึ้นไปถึงค่ายทุ่งส้มปล่อยประทับที่พระพราชัยในค่ายหลวงซึ่งกองหน้าแต่งไว้รับเสด็จขณะนั้นกรมมื่นเรรโยธีกรมมืนน่มมนเสดีบริลักษ์พระองค์เจ้าขุนเนน และพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายพร้อมกันเข้าไปเฝ้ากราบบังคมทูลข้อราชการศึกเสร็จสิ้นทุกประการและทูลถวายศาสตราวุธช้างมา้าแล้วลาวฉเฉลยที่เหลือตายจับเป็นมาได้นั้นฝ่ายกรมพระราชวังบวรตรัสเรียกพระองค์เจ้าขุนเนนให้เข้ามาเฝ้าในที่ใกล้จึงพระราชาทานพระแสงดาปักทองคาองค์หนึ่งแก่พระองค์เจ้าขุนเนนเป็นรางวัล ฝ่ายเจ้าพระยาอภัยภูธรที่สมุหนายกแม่ทัพฝ่ายเหนือยกกองทัพขึ้นไปถึงเมืองหลุมสักดิ์พอกองทัพพระยาเพชรพิชัยพระยาไกลโกษาก็มาถึงเมืองหล่มศักดิ์พร้อมกันจึงช่วยกันระดมตีทัพเจ้าราชวงศ์แตกหนีไปเจ้าราชวงศ์พาพระสุริยวงศ์สาธิบดีเมืองหลุมศักด์หนีไปด้วยเดินไปหาเจ้าอนุผู้เป็นประธานาธิบดีที่ค่ายเขาสารฝ่ายเจ้าอนุ ตั้งอยู่ที่เขาสารทราบการว่าค่ายหนองบัวลาพูและค่ายทุ่งส้งปล่อยและค่ายทุ่งลำพีแตกเสียแก่ทัพไทยแล้วทั้งสามตำบลจึงคิดว่าเห็นจะสู้รบแก่กองทัพไทยไม่ได้จะต้องทิ้งค่ายที่เขาช่องสารที่สำคัญนีเสียจริงจะได้จำเป็นจะต้องคิดพาชีวิตรอดดีกว่าอยู่สู้รบกับไทยคิดดังนั้นแล้ว จึงทำเป็นกุุบายว่าเราจะไปจัดการรักษาบ้านเมืองต่อไปจึงให้พระยาสุโภกับชานนซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่รักษาค่ายที่ช่องเขาสารเจ้าอนุแกล้งพูดปดกับนายทัพนายกองว่าจะขึ้นไปจัดการที่เมืองเวียงจันทร์รับทัพไทยเจ้าอนุก็รีบขึ้นไปถึงเมืองเวียงจันทร์แล้วเก็บทรัพย์สิ่งของที่สาคัญควรจะเก็บไปได้ กับพาบุตรภรรยาญาติวงลงบรรทุกเรือใหญ่จะหนีไปยังเขตแดนเมืองยวนให้พ้นภัยบุตรที่ไปด้วยนั้นคือเจ้าระทวงหนึ่งเจ้าสุทธิสารหนึ่งเจ้าชัยยสารหนึ่งเจ้าเสือหนึ่งเจ้าเถื่อนหนึ่งเจ้าเหม็นหนึ่งเจ้าช้างหนึ่งเจ้าอึ่งคำหนึ่งเจ้าขัติยะหนึ่งเจ้าพุทธชาติหนึ่งเจ้าอิสรพงศ์หนึ่งเจ้าเต้หนึ่งเจ้าหนูจีนหนึ่ง เจ้าสุวรรณหนึ่งรวมบุตรใหญ่สิบสี่คนและบุตรหญิงอีกมากไม่ปรากฏชื่อกับบุตร น, น้อยอีกหลายคนกับหม่อมห้ามเห็นแสนกำนันที่สำคัญก็พาไปมากกับเจ้าบุตรอุปราชอีกห้าคนชื่อเจ้าเอยหนึ่งเจ้าอายหนึ่งเจ้าอังหนึ่งเจ้าปานหนึ่งเจ้าพรหมหนึ่งกับมารดาเจ้าอุปราชด้วยคนหนึ่งและญาติที่คิดสนิทพาไปบ้าง กับขุนนางที่ไว้ใจพาไปบ้างและเจ้าอนุสั่งให้จับทหารและขุนนางไทยชื่อพระอนุชิตพิทักษ์ซึ่งเป็นน้องเจ้าพระยาอภัยภูธรหนึ่งกับพวกไทยที่เป็นมหาเล็กและนายงานนายช่างหลายคนกับพระสงฆ์ไทยหลายรูปให้พาไปฆ่าเสียสิ้นทั้งนั้นบรรดาไทยเมื่อเดือนหกแรมหกคำ่ำเจ้าอนุลงเรือล่องตามน้ําไปขึ้นที่ท่าเมืองมหาชัยกองแก้ว แล้วเดินบกขึ้นช้างบ้างมาบ้างเดินเท้าบ้างไปอาศัยอยู่ที่เมืองล่านาหยวนเรียกว่าเมืองแง่อ่านซึ่งเป็นเขตแดนหัวเมืองขึ้นของยวนฝ่ายพระยาสุโภกับชานนหาทราบว่าเจ้านายของตนหนีไปแล้วไหมได้ทราบแต่ว่ากองทัพไทยยกมาตีค่ายหนองบัวลำพูและทุ่งลำพีและทุ่งส้มปล่อยแต่ทั้งสามตำบลแล้วบัดนี้ ไทยมาตั้งทัพอยู่ที่ทุ่งส้มปล่อยจึงมีหนังสือไปถึงพระยาเชียงสาและกองคำและเพียสุรินให้ยกทัพใหญ่มาสมทบกันช่วยตีค่ายไทยที่ทุ่งส้มปล่อยให้แตกให้จงได้และฝ่ายพระยาเชียงสาได้ทราบข่าวหนังสือนั้นแล้วก็นัดหมายกองทัพทั้งสามทัพ พ, พร้อมกันแล้วจึงยกทัพใหญ่มาล้อมค่ายไทยที่ทุ่งส้มปล่อยทั้งสามทัพตามสัญญาพระสุโภ พระสุโภก็ยกทัพกองใหญ่ไปช่วยระดมตีกองทัพไทยด้วยกองทัพไทยจึงตั้งอยู่ที่นั่นเห็นลาวยกมามากก็ไม่อาจจะออกรบกลางแปลงรักษาค่ายมั่นไว้ทัพลาวจะเข้าตีหักค่ายไทยก็ไม่ได้ลาวจึงตั้งล้อมไทยไว้ถึงเจ็ดวันจนเสบียงอาหารหมดกองทัพไทยอยู่ในที่ล้อมครั้งนี้เจ็ดวันเกือบจะเสียทีแกลาวอยู่แล้วพอกองทัพกรมหมื่นนเรศโยธี ยกขึ้นไปทันช่วงทีเมื่อวันศุกร์เดือนหกแรขามหนึ่งมีพลทหารติดตามท่านไปแต่ร้อยคนเศษเท่านั้นเพราะเร่งรีบด่วนขึ้นไปโดยเร็วเมื่อได้ทรงทราบว่าทัพลาวยกมาล้อมพระยาจ่าแสนยากอนพระยากะลาหัมราชเสนาพระยามหาโยธารามันล้อมไว้โดยแน่นหนาท่านไม่ได้รอท่าคอยกองทัพหนุนรับสั่งให้ยกเข้าโจมตีแต่ลาพังคนร้อยหนึ่งเท่านั้น ก็จะได้ลาวเห็นว่าไทยมีพลทหารหน้อยนักลาวก็หันหน้าเข้าล้อมไว้ทั้งสี่ด้านลาวกับไทยได้รบกันถึงอาวุสั้นเป็นตลุมบอนแต่กรมหมื่นนเรศโยธีมีอาจารย์ไปด้วยสี่คนอาจารย์ทั้งสี่กระทาวิชาให้พวกลาวค่าสึกเห็นว่าเป็นคนอยู่บนต้นไม้มากนักทุกต้นต้นไม้ก็เห็นเป็นหอรบไปหมดมีคนอยู่บนหอรบหลายหมื่นหลายพัน พวกเราตั้งใจยิงปืนขึ้นไปบนต้นไม้ดังหาฝนอย่างเดียวไม่ได้ยิงปืนไปต่ำลงมาข้างล่างเลยแล้วอาจารย์ทั้งสี่นำใบมะขามมาเสกแล้วโปรยไปเป็นตัวต่อแตนต่อยพวกเราเจ็บบวดสาหัสยิ่งนักหนาขณะลาวล้อมกลมหมื่นนเรศโยธีอยู่นั้นพอกองทัพกลมหมื่นเสนีบริรักษ์พระอนุชาขุมกองทัพใหญ่ขึ้นไปทัน จึงได้ขับผลทหารให้เข้าช่วยกันรบตีลาวแตกเป็นช่องออกไปได้แต่พอให้กรมหมื่นนเรศโยธีออกจากที่ล้อมได้ฝ่ายกองทัพพระยาจ่าแสนยาก่อนพระยาการะหงษราชศีนาเจ้าพระยามหาโยธาซึ่งอยู่ในค่ายที่ทุ่งส้มปล่อยได้ยินเสียงปืนยิงรบกันหนาแน่นอื้ออึงดังนั้นและเห็นลาวซึ่งล้อมอยู่ทากริยาปันป่นป่วนระสัมประสยัยก็เข้าใจว่า มีกองทัพไทยยกมาช่วยเป็นมั่นคงพวกทหารเหล่านั้นก็มีใจกล้าหารองอาจพร้อมใจกันช่วยตีลาวหักออกมาจากที่หลอมได้แล้วก็เข้าปัรจบกับกองทัพข้างนอกได้เมื่อณวันอาทิตย์เดือนหกแรมสามค่ำขณะนั้นกองทัพเล่วจะต้านทานไม่ได้แต่กระจัดกระจายจะคุมกันเข้าไม่ได้ ก็แพ้พ่ายเปิดช่องให้ทัพไทยที่ล้อมไว้นั้นออกได้สิน้นฝ่ายกองทัพกรมหมื่นนเรศโยธีกรมหมื่นเสดีบริรักษ์และทัพพระยาจ่าแสนยากรพระยาการะหโหมราชาเสนาพระนรงวิชัยเจ้าพระยามหาโยธาพร้อมกันทุกทัพทุกกองยกเข้าช่วยกันระดมตีไล่ฆ่าฟันกองทัพลาวลงมตายลงเป็นอันมากพวกลาวเห็นเหลือกำลังที่จะตั้งต่อสู้กับไทยไม่ได้ ลาวทั้งนายไพลก็ล่าทัพทั้งค่ายที่ทุ่งส้มปล่อยสีสิน้นถอยทัพล่าหนีไปเข้าค่ายเขาสารได้บ้างที่ตายก็มากที่ไทยจับได้เป็นไปก็มากฝ่ายแม่ทัพนายกองไทยได้มีชัยชนะแก่ข้าศึกลาวที่ตำบลทุ่งส้มปล่อยอีกครั้งหนึ่งเป็นสองครั้งทั้งครั้งก่อนนั้นครั้งนี้กรมหมื่นทั้งสองกรมรับสั่งให้เจ้าพระยามหาโยธา ขุมกองรามันอยู่รักษาค่ายลาวที่ทุ่งซ่งปล่อยไว้ให้ดีแล้วโปรดให้พระยาพรมยกกระบาดเมืองนครราชสีมาขุมพลทหารห้าร้อยเป็นนายทัพนายกองลาดตเวนที่หนึ่งให้พระยาประสิทธขิขเชลักษ์จางวางกลุมช้างกองนอกเมืองนครราชสีมาขุมพลทหารห้าร้อยมีช้างสำหรับในกองสองร้อยช้างเป็นกองตระเวนที่สองรวมพลทหารทั้งสองกอง พลพันหนึ่งจึงโปรดให้ไปลาดตะเวนรักษาดา่านทางข้างทุ่งนัคราชป้องกันรักษาทางไม่ให้ลาวเวียงจันทร์และทางอื่นยกมาบรรจบกับค่ายที่เขาสารได้เลยเป็นอันขาดครั้งนั้นกรมพระราชวังบรวรมีพระราชบัญฑูรรับสั่งให้พระองค์เจ้าขุนเนนคงเป็นกองโจรรีบยกไปซุ่มพลอยู่ต้นทางเวียงจันท์ที่จะเข้ามาเขาสาร ให้คอยสกัดกองลำเลียงลาวเวียงจันอย่าให้มาส่งถึงกันได้มากแล้วโปรดให้ทัพพระยาเสนาภูเบศกองหนึ่งโปรดให้ทัพพระยาพิชัยบุรินทรากองหนึ่งโปรดให้ทัพพระยานรง์วิชัยกองหนึ่งโปรดให้ทัพพระยาวิสูตรโกษากองหนึ่งทั้งสี่กองนี้คุมพลทหารกองละพันเป็นทัพหน้าที่หนึ่งยกไปตีค่ายเขาสารช่องแคบด้านตะวันตก โปรดให้ทัพพระยากะลาห่มราชเสนากองหนึ่งโปรดให้ทัพพระยาจ่าแสนยากรกองหนึ่งโปรดให้ทัพพระยาวิเศษสงครามฝรั่งแม่นปืนใหญ่กองหนึ่งคุมทหารปืนใหญ่ยกไปเข้ากองทัพพระยาจ่าแสนยากรเป็นทัพทำลายค่ายรวมสามทัพผลทหารสามพันยกเข้าตีค่ายเขาสารด้านตะวันออกเฉียงเหนือโปรดให้กองทัพพระยาสัตราฤทธิรงค์ กองหนึ่งให้ทัพหลวงดำเกิงรนภพกองหนึ่งหลวงพุทธสารชาญกองหนึ่งโปรดให้ทัพพระอภัยสอนเพลิงกองหนึ่งพระจินดาจักรรัตกองหนึ่งทั้งสี่กองนี้คุมพลกองละห้าร้อยยกเข้าตีไข่าลาวที่เขาสารทางด้านใต้โปรดให้พระยาสุรินทรราชเสนีกับพระยาปรับเมืองนครราชสีมาทั้งสองกองนี้ คุมพลทหารกองละสามร้อยยกไปคอยตีกองทัพลาวซึ่งจะมาอาศัยตักน้ํากินในลําธารป่าดงทึบให้รักษาลําธารทั้งปวงในป่าไว้ให้มั่นคงอย่าให้เสียลําธานี้แก่ลาวได้เลยสักแห่งหนึ่งฝ่ายแม่ทัพนายกองทั้งหลายพร้อมกันกราบถวายบังคมลายกกองทัพไปตามรับสั่งในวันนั้นครันรุ่งขึ้นณวันที่สองกรมพระราชวังบวร โปรดให้กรมหมื่นทั้งสองพระองค์คุมพลทหารสามพันเป็นแม่ทัพใหญ่ถืออาญาสิทธิแทนพระองค์โปรดให้ได้บังคับบัญชากองทัพทั้งสิน้นให้ยกหนุนกองทัพทั้งหลายขึ้นไปตีค่ายเขาสารตามราชการแล้วโปรดให้พระยาราชโยธากับพระยามหาอาํามบาดคุมพลทหารกองละพันห้าร้อเป็นกองผู้ช่วยทัพทั้งหลายถ้าเห็นทัพผู้ใดหย่อนกําลังพลลงเมื่อใด ให้ช่วยอุดหนุนกองนั้นให้ทันท่วงทีแก่ราชการครันลุ่งขึ้นวันที่สามกรมพระราชวังบวรมีพระราชบันทูณดํารัสสั่งพระยาเสน่หาภูทรให้คุมพลทหารพันหนึ่งอยู่รักษา่ายหลวงที่ทุ่งส้มป่อยถ้ามีราชการแปลกประหลาดจรมาประการใดให้คิดราชการกับเจ้าพระยามหาโยธาแล้วโปรดให้พระยาประสิทธิศาสตรา กับหลวงฤทธิรณรงค์หลวงทรงศักดาวุฒิสามนายขุมพลทหารเกณฑ์หัดอย่างใหม่แปดร้อยเป็นกองเสียป่าแมวเต่ายกไปช่วยทัพหน้าแล้วโปรดให้หลวงฤทธิสัมเดงขุมพลทหารฝรั่งปืนใหญ่สามร้อยเป็นกองอัถมาต์ไปกับทัพหลวงแล้วโปรดให้หลวงผ่านพิภ พ, พกับหลวงจบจักรวาลเป็นทัพมาคุมกองทหารมา้ากองละร้อยมา มีพลประจำหลังมาทั้งสองกองร้อยเป็นกองคอยเหตุและจะได้เดินหนังสือบอกข้อราชการศึกหนักเบาให้ทราบทั่วทุกทัพทุกกองโปรดให้พระยาประกิจนุรักษ์คุมพลทหารช้างร้อยห้าสิบกับพระยาเพชราชาคุมพลทหารช้างร้อยห้าสิบรวมช้างสองกองสามร้อยยกไปตีข่เขาสารพร้อมด้วยทัพกรมหมื่นทั้งสองพระองค์ขันได้มหาพิชัยเลิก กรมพระราชวังบรวรสเสด็จทรงพระคัชทานพรายปราบไรจักสเสด็จพระราชดําเนินยกพยุหะแสนยากรทับหลวงพร้อมพลช้างมาเดินเท้าเป็นกระบวนพระยุหะญาตราตามรัฐาสทรมักประทับร้อนแล้วยกหนุนทับหน้าทั้งปวงขึ้นไปตั้งค่ายหลวงใกล้ค่ายลาวเขาสารห่างประมาณสองเ้อยห้าสิบเนบรรดานายทัพนายกองหน้าทั้งหลาย ตั้งค่ายประชิดห่างค่ายลาวที่เขาสารประมาณห้าสิบเส้นบ้างเจ็ดสิบเส้นบ้างร้อยเส้นบ้างอย่างที่ใกล้สามสิบเส้นแต่ค่ายกรมหมื่นทั้งสองพระองค์นั้นทรงตั้งค่ายอย่างกว้างเหลียวหลังตั้งหนุนค่ายกองหน้าห่างประมาณสามสิบเส้นแล้วโปรดให้ตั้งค่ายหลวงลงใหม่ห่างค่ายกรมหมื่นทั้งสองออกมาเจ็ดสิบเส้นเป็นค่ายใหญ่แต่ทับหลวงค่ายเดิมที่ตั้งแต่ก่อนห่างประมาณ สองหสิบเส้นนั้นโปรดให้เจ้าพระยาพระพิสุนุโลกซึ่งมาล่าชา้าพอมาถึงจึงโปรดให้คุมพลทหารเมืองพระพิสุนุโลกอยู่รักษาค่ายหลวงเดิมเพราะค่ายหลวงที่ตั้งแต่เดิมนั้นมีน้องน้ําอยู่ในค่ายจึงต้องรักษาไว้ให้มั่นคงเป็นที่พักพลทหารเจ็บป่วยฝ่ายแม่ทัพนายกองเหลา่าที่ค่ายเขาสารนั้นจัดการตกแต่งหอรบค่ายคูขวากน้ําป้องกัน ร, รักษาค่ายให้มั่นคง แล้วเกณกองทัพลาวหัวเมืองขึ้นมาสมทบมากหลายพันให้พ้นฐานลาวเหล่านั้นขึ้นประจำรักษาหน้าที่ทุกข้ายใหญ่น้อยโดยสามารถแข็งแรงนักฝ่ายพระยาสุโภและชานน์แม่ทัพใหญ่ได้ปรึกษาคุณนางลาวเท้าเพียนายทัพนายกองทั้งหลายว่าบัดนี้กองทัพฝ่ายไทยยกมาตั้งค่ายประชิดคราวนี้เห็นเชิงศึกเข้มแข็งกล้าหาญนกนะ ตั้งค่ายเป็นวงภาพถึงสามชั้นถังทับหลวงก็ยกมาตั้งค่ายหนุนทับหน้าทั้งวงอยู่ด้วยอาการเชิงศึกไทยครั้งนี้ดูท่วงทีชอบคนเราจะคิดเป็นประการใดจึงจะได้ชัยชนะแก่ไทยได้แสนเท้าพระยาราวเท้าเพียจึงพูดตอบว่าการทั้งนี้ก็สุดแท้แต่ความคิดท่านผู้เป็นแม่ทัพใหญ่จะบัญชามาประการใด พวกนายทัพนายกองทั้งหลายนี้ก็จะปฏิบัติตามคำสั่งโดยสมควรแก่การสึดฝ่ายพระยาสุโภและชานนลซึ่งเป็นผู้ใหญ่บัญชาการทัพนั้นจึงพูดขึ้นในท่ามกลางประชุมว่าเราคิดว่าไทายยกทัพมาคราวนี้เป็นการเร่งรุดรีบด่วนมาโดยเร็วอีกประการหนึ่งเล่าไทายยกขึ้นมาทางนี้ก็เป็นทางลำบากแก่ไพ่คนมากเพราะเป็นทางข้ามเขา และทางป่าไกลนะักจะได้สเบียงอาหารบรรทุกโคต่างและช้างขึ้นมามากน้อยสักเท่าใดก็พอจะคิดได้ไม่ผิดมากนะักเราประมาณพลในกองทัพไทยกับเสเบียงอาหารที่บรรทุกช้างและโคต่างมานั้นจะทําการสักสามเดือนก็ไม่พอเลี้ยงกันเต็มว่าช้าเดือนเศษจะหมดเส้นสเสบียงอาหารลงกําลังกองทัพไทยก็จะย่อนลงมากจะทําอะไรแก่เราได้เล่า เพราะสเสบียงหมดแล้วกับที่ไทยจะขึ้นมาส่งสเสบียงกันอีกนั้นก็ไม่ได้ด้วยเราได้แต่งกองทัพอันสําคัญไปตั้งจุกช่องกักด่านขอยตีกองสเสบียงไทยที่จะมาเพิ่มเติมกันนั้นก็ไม่ได้อีกประการหนึ่งเวลานี้เล่ากําลังไทยรื่นเริงทักหน้าเพราะมีชัยชนะแก่ลาวมาหลายครั้งกําลังตึกยังกล้าหาญอยู่นักหนาเราจะเข้าต่อสู้เวลานี้ยังไม่ได้เราคิดว่า ช่วยกันให้แข็งแรงรักษาค่ายตั้งมั่นไว้สักเดือนหรือครึ่งเดือนแต่พอให้กองทัพไทยขาดเสบียงอาหารลงเมื่อใดเราจึงจะได้ยกกองทัพออกโจมตีจะมีชัยชนะแก่ไทยโดยง่ายฝ่ายแสนเท้าพระยาลาวก็เห็นชอบพร้อมกันตามถ้อยคำและความคิดพระยาสุโภและชานนทุกประการจึงได้ช่วยกันรักษาค่ายโดยมั่นคง ฝ่ายกรมพระราชวังบวรมีรับสั่งให้มหาดเล็กขึ้นไปเชิญกรมหมื่นทั้งสองพระองค์ลงมาเฝ้าที่พระพราชัยในค่ายหลวงแล้วทรงตรัสปรึกษาว่าแต่ก่อนกองทัพไทยยกขึ้นมาตั้งค่ายประเช็ดที่เขาสารช่องแคบช้านานถึงหกวันเจ็ดวันแล้วก็ไม่เห็นลาวจาักกองทัพออกมาตีเราตามธรมเนียมศึกใหญ่ลาวนั่งอยู่แต่ในค่ายหลายวันแล้วดีาย เราจะคิดกลอุบายสักอย่างหนึ่งเป็นแม่นมั่นกรมมื่นทั้งสองพระองค์จึงกราบทูลว่าถ้าจะเนิ่งช้าอยู่เห็นจะต้องด้วยอุบายลาวตามพระราชกระแตรับสั่งขอพระราชทานพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมมีพระราชบัญชา น, นำรับสั่งพระยากพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายให้ตรเตรียมการเข้าพร้นไข่าลาวให้แตกในสามวันถ้าเนิ่นช้า ผลไปกว่าสามวันเห็นว่าเราต้องถูกกลอนอุบายลาวเป็นแน่แท้ไม่ควรจะนิ่งไว้ให้้าจนลาวคิดกลอนอุบายสำเร็จได้ฝ่ายกรมพระราชวังโบว์ทรงเห็นชอบด้วยความคิดกลมหมื่นทั้งสองพระองค์แล้วจึงมีพระราชดำหลัดให้หาเจ้าพระยาและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งปวงให้เข้ามาเฝ้าพร้อมกันในค่ายหลวงจึงทรงจัดการทัพ เพ่งจะยกเข้าปพ้นไข่าลาวเจ้าอนุที่เขาสารนั้นพร้อมโปรดให้กองทัพพระยาจ่าแสนยากรกับพระยามหาอํามาตย์คุมพลทหารพันห้าร้อยกองหนึ่งให้พระยากลาหมราชเสนากับพระยาศีสรราชคุมพลทหารพันห้าร้อยกองหนึ่งทั้งสองกองนี้เป็นทัพเอกยกเ ข, าข้าพ้นไข่พระยาสุโภโปรดให้พระยาราชโยธากับพระยาเสนาภูเบศ คุ้มพลทหารพันห้าร้อยกองหนึ่งให้พระยาบริลักษ์ราชากับพระยาอัศดาเรียงเดชคุ้มพลทหารพันห้าร้อยกองหนึ่งทั้งสองกองนี้เป็นทับโทเข้าป้นไข่าชาโนนโปรดให้กองพระยาณรงค์วิชัยกับพระยาสุนทรสงครามสุพรรณบุรีคุ้มพลทหารพันหนึ่งเป็นกองหนุนทัพเอกโปรดให้พระยาอภัยสงครามกับพระยาพิชิตสงครามคุ้มพลทหารพันหนึ่ง เป็นกองหนุนทัพโทโปรดให้พระยาพิชัยบุรินทรากับพระยานคราพระยาพิพิตพักดีคุมพลทหารพันหนึ่งเป็นกองหนุนเสริมถ้าเห็นว่าทัพใดล่าหย่อนก็จะได้ช่วยหนุนทัพนั้นบ้างโปรดให้พระยาสุรินทรราชเสนีคุมพลทหารพันหนึ่งโปรดให้พระยาสุเรนทรราชเสนาคุมพลทหารพันหนึ่งโปรดให้ พระยาพิบูรณ์สมบัติคุมพลทหารพันหนึ่งโปรดให้พระยาอารามมณเทีอนคุมพลทหารพันหนึ่งโปรดให้พระยาพิจิตคุมพลทหารพันหนึ่งโปรดให้พระยานครสวรรค์คุมพลทหารพันหนึ่งทั้งหกกองนี้โปรดให้ยกเข้าตีพร่นไข่ยพระยามือไฟและพระยามือเหล็กและไข่เชียงใต้และไข่เชียงเหนือหรือไข่เพีย์เทา้าพระยาล่า ซึ่งได้ตั้งเป็นค่ายละเมาะติดติดต่อต่อกันตามชายป่าเชิงเขาสารทุกๆุกค่ายให้แต่พร้อมกันแล้วโปรดเกล้าให้จัดกองทัพอีกแปดกองคือกรมอาสาญี่ปุ่นและกรมอาสาวิเศษกรมอาสาใหม่กรมอาสาหกเหล่าและกรมกองแก้วจินดากรมพลพันทนายเลือกรวมแปดกองมีพระยาพระหลวงเป็นนายทัพนายกอง คุมพลทหารกองละสามร้อยบ้างสี่ร้อบ้างยกระดมเข้าตีค่ายปีกาลาวทุกทุกค่ายโปรดให้พระยาประกิจนุรักษ์กับพระยาพุทธราชาแม่กองช้างในกรุงพระยาประสิทธิ์ขชรักษ์แม่กองช้างกองนอกเมืองนครราชสีมารวมสามนายคุมพลทหารช้างสองร้อยกไปทลายค่ายลาวที่เขาสารแต่ให้อยู่ในบังคับบัญชาพระยาจ่าแสนยากรอน และพระยากราห่มราชเสนาแล้วโปรดให้หม่อมเจ้ากัมพูฉัดในเจ้าฝากรมหลวงจักรเจษ ด, ดาเป็นแม่ทัพมาคุมพลทหารมาห้าร้อยเป็นจเจรทัพกองตรวจราทัพทั้งปวงแล้วโปรดให้พระวิชิตนรงค่าหลวงเดิมคุมพลทหารห้าร้อยยกไปตั้งค่ายสกัดปิดต้นทางข้างเมืองเวียงจันท์ไว้อย่าให้เราไปมาหากันได้ ให้ตั้งค่ายปิดทางที่ตำบลทุ่งแขลาวเวียงจันเรียกว่าทุ่งขับแขรันทรงจัดแจงแบ่งกองทัพปันหน้าที่ให้นายทัพนายกองทั้งหลายพร้อมเสร็จแล้วจึงมีพระราชกำหนดว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เลิกดีในเวลาสิบนาฬิกาให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งปวงพร้อมใจกันยกทัพจู่โจมถงเข้าหักค่ายรนค่ายลาว ซึ่งตั้งอยู่เขาสารช่องแคบให้แตกจงได้ในแต่วันเดียวผู้ใดล่าทัพถอยออกมาจะลงพระราชอาญานายทัพนายกองที่ล่าออกมานั้นโดยอย่างชกันตามบทกฎหมายพระอายการศึกฝ่ายนายทัพนายกองทั้งหลายกราบถวายบังคมลาออกมาจากไข้หลวงแล้วตรเตรียมการยุทธนาไว้พร้อมเสร็จตามตำราพิชัยสงครามครันลุ่งขึ้น เป็นวันอาทิตย์ได้เลิกดีตีของยามสิบนาฬิกาฝ่ายนายทัพทั้งปวงยกพลทหารโหรองยกกองทัพเข้าพ้นค่ายลาวที่เขาสารทุกๆุกค่ายฝ่ายพระยาสุโภและชานนแม่ทัพใหญ่เร่งให้พลทหารรับรองป้องกันเป็นสามารถยิงปืนไฟปืนยาหน้าไม้ออกมาดังหาผลไถ้พลกองทัพไทยตายลงมากขณะนั้นทัพช้างฝ่ายลาวยกเข้ามาช่วยป้องกันค่ายหาทันท่วงทีไม่ ฝ่ายทัพช้างไทยยกเข้าทลายค่ายผลทหารไม่ได้ย่อถ้อถอยยกหนุนเนื่องกันเข้าไปได้ทําลายล้างค่ายฟันค่ายปีนค่ายเย่อค่ายบ้างก็ถอนขวางน้ําทิ้งวิ่งเข้าค่ายได้ไล่แทงฟันลาวล้มตายเป็นอันมากนะักฝ่ายพลลาวตกใจวิ่งแตกตื่นปะทะ ก, กันเป็นอุลหมานบ้างเหยียบกันตายก็มีที่ไม่ตายก็มากที่แห่ค่ายหนีไปได้บ้างแต่พระยาสุโภและชานนเชียงใต้ นายทัพทั้งสามนั้นพาพลนฐานที่ร่วมใจกัน200สองร้อยเศษถืออาวุธสั้นสองมือฝันฝ่ากองทัพไทยแห่ข่ายหนีไปได้ทั้งสามคนกองทัพไทยเข้าตีค่ายเขาสารได้ครั้งนั้นทนลาวตายประมาณสองส่วนที่เหลือเล็ดลอดไปได้ประมาณส่วนหนึ่งที่กองทัพไทยจับเป็นได้ประมาณส่วนหนึ่งจับได้ช้างพลายพังระวังเปรียวสองอหกสิบเจ็ดช้างม้าห้าร้อยสี่สิบแปดมา โพต่างพันสี่ร้อยเก็บได้เครื่องสัพพวุธยุทธภัณฑ์กัดสุนดินดำและสเสบียงอาหารพร้อมบริบูรณ์ได้พระพุทธรูปทองคำในค่ายองค์หนึ่งทองหนักเจ็ดตำลึงสองบาทเป็นทองคำเนื้อเจ็ดสองขาพระเนตรฝังพลอยนินทั้งสองข้างระหว่างพระอนุโลมฝังพลอยทับถิมหลังเบี้ยเท่าเมล็ดข้าวโพดนั่งคัดสมาธิเพชรหน้าตักสามนิ้วสามกระเบียดฝ่ายกรมพระราชวังบวร ทรงทำศึกกับเรามีชัยชนะแก่ข้าศึกลราตีได้ค่ายเขาสารแล้วจึงทรงแต่งหนังสือบอกข้อราชการซึ่งมีชัยชนะแก่ข้าศึกลราและกิจราชการทั้งปวงในความที่ทรงพระดํารินั้นด้วยรวมลงฉบับหนึ่งโปรดให้หลวงนายมหาใจพักถือพลม้อห้าสิบมาเชิญพระอักษรและหนังสือบอกลงมากราบบังคมทูลพระกรุณาณกรุงเทพ ขันลุ่งขึ้นอีกแปดวันจึงทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้พระยานคราคุมพลทหารไทยห้าร้อยไล่ต้อนคลุมครัวลาวเฉลยที่ชะกันกับช้างดีม้าดีด้วยลงมาทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเป็นพระราชบ น, นาการล่วงหน้ามาพลางก่อนขันทรงจัดการที่ค่ายเขาสารเรียบร้อยเป็นปกติแล้วโปรดให้เจ้าพระยาพิษนุโลกเป็นผู้คุมกองทัพหลังอยู่รักษาค่ายที่เขาสาร ด้วยจะเสด็จพระราชาบรรเนินข้ามเขาสารต่อไปให้ถึงเมืองเวียงจันทร์ฝ่ายนายทัพนายกองก็จัดกระบวนทัพเสด็จพระราชาบเนินทางสทนลมักเหมือนอย่างที่เสด็จพระราชาดำเนินขึ้นมาจากค่ายทุ่งส้มปล่อยนําทุกประการฝ่ายกรมพระราชวังบวรทรงเครื่องสําหรับขับทิยราชรณยุทธเสร็จเสด็จขึ้นประทับอยู่บนเกยชัยคอยพระเลิกฝ่ายกองทัพไทย ซึ่งยกไปเป็นกองทับหน้าตีค่ายเขาสารแตกแล้วทุกตาบลทับหน้ายกไปตามตีลาวที่แตกนี้ไปบนเขาสารนั้นกว่าต้อนจับได้ลาวมาเป็นอันมากบ้างก็ข้ามเขาสารลงไปตามที่เชิงเขาด้านตะวันออกถึงพื้นดินราบที่ตำบล น, นั้นชื่อพรานพร้าวอยู่ริมแม่น้ำขงตรงหน้าเมืองเวียงจันทร์ข้ามกองทับหน้าฝ่ายไทยไม่เห็นลาวตั้งค่ายรับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำขง จึงได้กราบทูลกรมหมื่นทั้งสองพระองค์กรมหมื่นทั้งสองพระองค์รับสั่งให้นายทัพนายกองไปเที่ยวเก็บเปลือยใหญ่น้อยของเหล่าที่ทิ้งไว้ตามฝั่งและบ้านร้างได้มาหลายสิบลำจึงให้พลทหารไทยลงเรือแล้วก็เสด็จลงเรือข้ามไปยังเมืองเวียงจันทร์เสด็จเข้าไปประทับอยู่ในเมืองเวียงจันทร์ก่อนทัพทั้งปวงจึงทรงเก็บได้ทรัพย์สินของเงินทองเพชรพลอยและเครื่องอัญมณีต่างๆเป็นอันมาก ซึ่งเป็นวัตถุของเจ้าอนุวงศ์และญาติวงศ์สารวงศ์และแสนเทา้าพระยาลาวเท้าเพียที่หนีไปเก็บไม่ทันเหลืออยู่นั้นเป็นอันมากแล้วรับสั่งให้พลทหารไทยไปตามจับช้างดีม้าดีๆที่แตกฉานส้้นเซนอยู่ในเมืองแลนนอกเมืองเวียงจันท์จับได้ช้างพลายพังระวางเพียวร้อยสี่สิบหกช้างม้าสี่ร้อยยี่สิบสี่ม า, มาและโคกระบอรือพันเศษ เครื่องสัพพาวุธยุทธภัณฑ์เป็นอันมากพร้อมทั้งกระสุนดินดำด้วยแล้วมีรับสั่งให้พระยาสุนทรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีให้คุมไพรพ ล, พลพันเศษยกไปตั้งค่ายหลวงรับสเสด็จกรมพระราชวังบวรที่ตำบลพรานพร้าวริมฝั่งแม่น้ำโขงแปดค่ายเพราะผลที่ตามเสด็จพระราดําเนินมานั้นมากมายหลายพันคนครั้งนั้นพระนรงสงคราม ขึ้นมาข้ามเขาสารกลับมายังค่ายหลวงจึงเข้าเฝ้าหน้าเกยชัยเมื่อกำลังเสด็จประทับอยู่ที่นั้นพระนรงสงครามกราบทูนว่ากองทัพกรมหมื่นทั้งสองนั้นยกข้างเขาสารลงไปถึงฝั่งพรานเปลาไม่เห็นมีทัพเปล่าตั้งรับที่นั่นจึงเสด็จลงเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้าเมืองเวียงจันได้โดยสะดวกในเมืองก็ไม่มีทัพลตั้งรับรบสู้รักษาเมืองเลย พบแต่ครอบครัวราวที่ชราแก่เท่าและป่วยไข้กับที่ไม่สมัครไปด้วยเจ้าอนุกมีได้ไตาถามได้ความว่าเจ้าอนุพาครอบครัวบุตรพันธุาญาติอพยพหนีไปเมืองยวนสองวันแล้วทับไทยกองหน้าจึงเข้าเมืองเวียงจันได้ฝ่ายกรมพระราชวังบวรได้ทรงทราบข้อความตามพระนรงทรงกราบทูลดังนั้นแล้วจึงตรัสว่า ได้ข่าวสึกดังนี้ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วให้ลั่นของชัยดำเนินพลทหารยกข้ามเขาสารไปยังฝั่งแม่น้ำโขงเถิดโนลั่นของชัยถวายพระฤกเจ้าพนักงานยิงปืนจ่ารงขึ้นสามนัดเป็นสัญญาณพลทหารมากองหน้าดำเนินธงตรีทุตนำหน้ากระบวนไปก่อนพลแสนเสนาขั น, นิกรเดินทัพเป็นลำดับกันไปตามสัรรค ก, กรมพระราชวังบวร ทรงช้างพระที่นั่งพังโกสมเป็นพระคัจจานผูเครื่องมั่นกระโจมทองสีหน้าหลังคาสีพร้อมด้วยเสดีสี่เท้าช้างจตุรงคขบาทยกพระยุหะญาตราไปครั้งนั้นมีช้างดั่งกันคำาขวางพังคาแทรกแซงตามพระมหาคัชพระยุหะสงครามพร้อมเสร็จเสร็จพระราชดำเนินทับหลวงจากไข่เขาสารครั้งนั้นสนั่นนรุนา่บันเ ล, ลื่นด้วยสัพพสัมเนียง เสียงพลช้างพลมา้าพลเดินเท้าสถานสะเทือนท้องปตผีสเสด็จประทับร้อนที่สิงขรเชิงผาพักพลพอเข้าที่เสวยในที่นั้นเสร็จสเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเป็นลําดับแล้วประทับที่พระราชัยในข่าใหญ่ซึ่งกองหน้าแต่งตั้งไว้รับสเสด็จที่ตำบลพรานเพร้าริมฝั่งแม่น้ำโขงครั้งนั้นไม่นานสเสด็จไปทอดพระเนตรในเมืองเวียงจันทร์ด้ว ย, ก เ, ยวกเกลี้ยกล่ดเจ้าอนุมากนัก แล้วมีพระราชบนบทูลดำรับสั่งให้ผลทหารลงเรือข้ามฟากไปเมืองเวียงจันทร์ให้ตัดต้นไม้ที่มีผลสำหรับรับประทานได้นั้นตัดโค่นเสียสิน้นแล้วให้ถ่ายสเสบียงอาหารออกจากเมืองเวียงจันทร์ขนมาไว้ในค่ายพรานเปล่าจนสิ้นเชิงแล้วโปรดให้นำไฟไปเผาเมืองเวียงจันทร์เสียด้วยแล้วโปรดให้ผลทหารไปรื้ออิฐกำแพงเมืองเวียงจันทร์เสียรอบเมืองเว้นไว้แต่วัดเท่านั้น ฝ่ายกองทัพเมืองเคียงใหม่เมืองแพร่เมืองน่านเมืองหลวงพระบางรวมพลสี่เมืองเป็นพลทหารถึงสามหมื่นยกมาตามท้องตราที่เกณฑ์ขึ้นไปแต่ก่อนมาถึงเมืองเวียงจันทร์พร้อมกันทั้งสี่เมืองนายทัพนายกองทั้งสี่เมืองนั้นก็เข้าเฝ้ากลมพระราชวังบวรที่ค่ายหลวงพรานพลา้าอานามสยามยุทธตอนที่ห้า กองทัพกรุงเทพบุกเข้ายึดเวียงจันทร์เหนือเรื่องกำลังเข้มงวดเข้ามาทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป